วันนี้เป็นวันที่19เามษายนพุทธศักราช2557หอหลวงพ่อเองเห็นลูกหลานวัยหนุ่มวัยกำลังก้าวหน้ากำลังเรียนจบหรือว่ากำลังเรียนหรือว่าได้ทำการทำงานเป็นเบื้องต้นแล้วก็สนใจ พระพุทธศาสนาหลวงพ่อเห็นแล้วก็มีความชุ่มชื่นในจิตใจเพราะเหตุไรหลวงพ่อมองไปในอนาคตว่าเออลูกหลานเหล่านี้แหละจะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาถ้าหากว่ามีแต่คนเท่าคนแก่อายุ80 70 80บดอย่างหลวงพ่อเนี่ย เ, เข้ามาสู่วัดแต่หลวงพ่อกับปุ้มปีติในระดับหนึ่ง เ, เหมือนกับเออพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ว่ามองเห็นอนาคตจะเป็นยังไงก้าวต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยพวกเราไม่ควรไม่ควรจะประมาทในการเป็นอยู่อันนี้ก็หลวงพ่อมองในระดับหนึ่งว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่หลงลืมตัวเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มุ่งมั่นต่ออัดต่อมักต่อผล ต่อบุญกุศลแต่ว่ามองพวกลูกหลานที่หนุ่มหนุ่มสาวทั้งหลายอันนี้พมพ่อมองเออพระพุทธศาสนาของเราคงจะยืดยาวไปต่อไปภายภาคหน้าเพราะเห้ไใดเพราะลูกหนุ่มสาวทั้งหลายออยังให้ความสนใจยังสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่า ถือว่าพุทธศาสนาหรือว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นคนกลุ่มหนึ่งโบราณถือมาคนกลุ่มหนึ่งก็ถือไปโดยที่ไม่ได้พิสูจน์โดยไม่ได้พิสูจน์โดยไม่ได้ปฏิบัติ ด, ดูว่าพุทธศาสนาเนี่ยคนโบราณเ็าถือมาเนี่ยมันเป็นยังไงมีเหตุผลอย่างไรอันนี้ก็คือ ถ้าหากว่ามีแต่ผู้สูงอายุถือมาแล้วก็ผ่านไปแคนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจไม่ได้พิสูจน์แต่ถ้าว่าพิสูจน์แล้วพระพุทธศาสนานี่ทนต่อการพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อเฉยเฉยไม่ใช่ว่าให้ศรัทธาคือความเชื่อเฉยเฉยไม่ใช่พระพุทธศาสนานสอนให้มีใช้ปัญญาวิเคราะห์ การกลองไตรตรองเหตุและผลว่าจุดนี้มีประสงค์อะไรมีความหมายอย่างไรอย่างเพียงแต่ว่าทานเท่านั้นนะคขาว่าได้มาของมาแล้วต้องเสียสละนะต้องรู้จักแบ่งปันนะรู้จักให้กับบุคคลที่ด้อยกว่าเรานะต้องเสียสละฐานะต้องมีการเสียสละต่อกัน เพียงแค่นี้ท้าว่าเป็นโลกทั้งหลายเขาก็ว่าเสียเปรียบทําไมจึงได้ของมาหาโดยความยากลําบากแล้วเอาไปหาให้คนเฉยๆเสียเปรียกจะทําอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้ทาวว่าเป็นกิเลสจะเป็นโลกทั้งหลายเขาต้องคิดอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าทําไมท่านจึงให้สอนให้ทานให้เสียสละ ให้รู้จักเก็บให้รู้จักหาให้รู้จักใช้ให้แบ่งใช้ให้แบ่งเก็บแล้วก็ให้เสลือเผื่อแผ่ผู้ที่ด้อยกว่าอ่อนกว่าผู้ที่ผููมีพระคุณที่พวกเราจะต้องดูแลบํารุงรักษาท่านเทนี้วิเคราะห์ดูสิถ้าคนขี้ตนียทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันใครแล้วเป็นยังไงได้มาแล้วก็เก็บหมด ไม่ยอมแบ่งปันใครหมูหมากาไก่ใครคนที่มาอยู่ใกล้ก็อยู่ด้วยไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่มีการไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตาไม่มีการเสียสละไม่มีการจาคในชุมชนในกลุ่มของตนเองเพียงแค่นี้เราก็มองเห็นแล้วว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงจะแบ่งไปยังไงมันก็ไม่หมดไม่สิ้นเพราะหะไลเพราะมันเหมือนกันน้ำที่มันไหลามาจากนั้นคนที่มีน้ำใจคนที่มีเมตตาไปอยู่นสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ามีแต่ใครเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนนั่นนะได้รับความอบอุ่นได้รับความไว้วางใจได้รับความเมตตาขาดเหลือขาดตกอะไรมีน้ำใจ<ม>เห็นมอง เฉลือเผื่อแผ่ความสุขของตนเองให้กับเพื่อนมนุษย์หรือวัตถุสัตว์ทั้งหลายนี่แหละอันนี้คือคือฐานะเสียสละอย่างเดียวเท่านั้นแหละก็ได้รับความไว้วางใจไปในสถานที่ใดใครใครก็ยอมรับกันทั้งนั้นใครก็อยากจะปาเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพักเป็นพวกใครก็อยากจะรู้อยากจะเข้ามาอา เป็นญาติโกโหติกาเพราะอะไรเพราะคนนั้นมีน้ำใจถ้าตรงข้ามนะจะไหยถ้าคนขี้ตนี๊ทีเหนียวเห็นแก่ตัวไปที่ไหนพอจะได้อะไรฉนะชกฉชวยไปหมดจะทำยังไงจึงจะได้เปรียบเขาชุมชนในกลุ่มนี้พอเข้าไปแล้วนะมองมองชุมชนเป็นผักเป็นปลาไปจไหนะอันไหนที่ตัวเองจะจะได้ ใครๆก็กลัวทั้งหมด hmm. เข้าไปในหมู่บ้านใดชุมชนใดเขาจะต้องจับตามองกันทั้งหมดเป็นพิษเป็นภัยกับเขาอย่างร้ายแรงเพราะอะไร hmm. เพราะคนไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตาไม่มีการเสียสละต่อชุมชนสังคมของเขา hmm. สิ่งเหล่านี้ถ้ามองดูแล้วเป็นยังไงเ hmm. จียงไหม hmm. ถ้าหลวงพ่อพูดให้ฟังอย่างนี้ะจริงไหมอันนี้หลวงพ่อพูดให้พรฟังให้เป็นการศึกษาแบบสุดโต่งถ้าพูดไปครึ่งๆกลางๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะนั้นหลวงพ่อพูดอะไรตรงพองมองให้พูดให้สุดตรงเลยว่าถ้าหากว่ามันชั่วอย่างนี้สุดๆดแล้วจะเป็นยังไงถ้าดีสุดๆดแล้วจะเป็นยังไงแต่พวกเราอาจจะไม่ไม่ชั่วสุดๆขนาดนั้นแต่ไม่ดีสุดๆขนาดนั้นแต่แต่เราก็เดินขนาดไหนมันจึงจะพอเหมาะเนี่ย พวกเราก็จะต้องเดินในระหว่างความพอเหมาะสมอันไหนควรจะสงเคราะห์อย่างไรเคราะสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติอย่างไรควรจะเก็บไว้ส่วนตัวไว้ใช้สอยอย่างไรอันนี้ก็รู้จักตนละท่าไหรการบริหารนี่แหละอันนี้ก็คือเพียงแต่ว่าฐานะเท่านั้นก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจชุมชนและสังคม ประเทศชาติโลกในยุคที่คนมีน้ำใจต่อกันถ้าโลกยุคไหนไม่มีน้ำใจต่อกันเรือดร้อนบุญวายไปทุกหัวและแห่งนี่แหละแล้วก็เมื่อวานนี้นะพูดมาพูดถึงฐานะคือการทานนะแต่รลงพ่อก็ได้ตั้งมูลนิธิดูแลพระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีแต่ที่แรกก็เราคิดว่าโรงพยาบาล อุราจังหวัดประจำจังหวัดนยังไม่มีมูลนิธิแต่หลวงตาท่านก็ตั้งเป็นทุนนิธิผู้ที่ยากไร้าแต่ที่คว่าเป็นเป็นทุนนิธิทั่วๆไปสําหรับสมัยนั้นคือคือคนเวลาคนตายตายแล้วเอาไปเผาที่วัดโพธิสมพรนะไปเผาแล้วไม่มีฐานฐานที่จะเผาคนต้องใช้ฐานสองสามกระสอบ ท่านเจ้าคุณปู่ก็เลยเข้าไปหาหลวงตาหลวงตาเออเอาเอาเลยถ้าใครตายท่านก็เลยเอาเงินให้ก้อนหนึ่งเพื่อดูแลคนที่มีความจําเป็นคนที่ยากไร้ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ตอ น, นี้ก็ไม่ใช่ไม่เข้าข่ายมูลนิธิแต่เป็นเงินทุนของหลวงตาให้แต่พอมาถึงยกนี้หลวงตาสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาแล้วหลวงพ่อเออหลวงตาก็จากไปแล้ว แต่หลวงพ่อก็ได้ไปตั้งมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อก็เป็นประธานมาเป็นเป็นครั้งที่สองนะครั้งหนึ่งคือสีปีก็ผ่านไปครั้งที่สองกำลังคะยดี๋ยวอยู่เดี๋ยวนี้แหละ อ, อ, อาจจะเป็นพังที่สองหลวงพ่ออาจจะลาออกจากประธานก็ได้ออพอทาดูรก่อนนะ แต่นี้ก็การบริหารจัดการโรงพยาบาลศีนครินก็ขงประสบความสำเร็จปูดง่ายๆแบบรวบรัฐไก่ายๆว่าพระสงฆ์เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปอยู่ที่นั่นก็ดูแพทย์พยาบาลก็ก็ให้ใช้มูลเงินมูลนิธินี่แหละดูแลพระสงฆ์ที่จำเป็นนะแล้วนี้ก็ท่นยกคุณอุดร พระเถระผู้ใหญ่ก็เป็นนอนอยู่ที่นั่นป่วยอยู่ที่นั่น4ปีกว่าเกือบจะเข้าปีที่ห้าแล้วจากนั้นก็มีพระเถระในเขตตั้งแต่อุบลขึ้นมาอำนาจเจริญขึ้นมาแถวขอนแก่นขึ้นมาไัยาพงศ์จังหวัดเลยนี่เราไปป่วยเวลาป่วยก็เข้าโรงพยาบาลศรีนครินก็เข้าไปในห้องที่หลวงพ่อไปสร้างเอาไว้เนี่ยนะ ตึก19้ชั้นเนี่ยในช่างวาิชเนี่ยเป็นเป็นในช่างใหญ่กับคณะเป็นผู้ช่วยการหาทุนออกแบบนั่นหละหลวงพ่อว่ามีประโยชน์ต่อคณะสงฆ์เป็นบุญกุศลสำหรับพวกเราอีกต่างหากนะและทีนี้มาถึงอุรานของเราเยังไม่มีหลวงตาสร้างตึก10ชั้นขึ้นมาแล้วยังไม่มีพอหลวงตา จุตินิทภานไปแล้วหลวงพ่อหน่าจะมีมูลนิธิขึ้นมานก็ไปปรึกษากับคณะแพทย์คณะแพทย์เขาก็เห็นด้วยจากนั้น ก, ก่อนที่จะตั้งเป็นมูลนิธิเนี่ยจะตั้งชื่ออะไรนะก็ต้องตั้งชื่อว่ามูลนิธิหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนอันนี้คือความถูกต้องนะมูลนิธิหลวงตามหาบัวยณสัมปันโนดูแลสงอาพาศ โรงพยาบาลอุดรธานีอันนี้คื อ, คอเราคิดว่าจะตั้งอย่างนี้แต่พอเข้าไปปรึกษากับคณะญาติขององค์หลวงตาก็ไม่มีใครเป็นผู้ตัดสินได้เพราะว่าเขากลัวว่ามูลนิธิเนี่ยที่เห็นเหนมาเนี่แผนั่นขอเนยเอาชื่อเสียงของหลวงตาไปหาอยู่ฮากินลักษณะอย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่าไม่พร้อมที่จะให้ แต่เมื่อไม่พร้อมที่จะให้เขาก็กลับมาแล้วจะเอาอย่างไรหลวงพ่ออืสําหรับหลวงพ่อเนี่ยเขามองเห็นอยู่เอาไปขายกินยังไงไม่ขายกินยังไงหลวงพ่อก็าดูอยู่เอา้าเอาชื่อหลวงพ่อก็แล้วกันนะก็เลยตั้งเป็นชื่อว่า ม, มูลนิธิอภิบาลสงฆ์พระอาจารย์อินถวายสันตุสโกโรงพยาบาลอุดรธานีอันนี้ก็คือมูลนิธิ แล้วก็จดทะเบียนจดทะเบียนได้เมื่อวันที่28มีนาพุทธศักราช2557นะแต่วันนี้เป็นวันที่วันที่19เมษายนพุทธศักราช2557นะเมื่อวานเนะี่ยคือตามปกติเมื่อจดทะเบียนได้แล้วนะเขาจะต้องถามว่าจะตั้งโมนิเทจะตั้งเป็นทุนนิเทศตั้ง กองทุนที่แรกเนะี่ยตั้งมูลนิธิกองแรกนะ่จะใช้เงินเท่าไหร่ตามปกติก็ไม่ต่ำกว่าส0 0 0สนถึงห้าแสนพอหลวงพ่อตั้งมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนหนะลวงพ่อตั้ง5้0 0 0นนะตั้งถวายหลวงตาพอเข้าไปกราบหลวงตาหลวงตาบอกเฮ้ยมูลนิธิเราไม่ไม่เอาทำให้คนขี้เกียจนะหลวงตาไหวงั้นคือท่านฝังใจมาตั้งแต่สมัยไปเรียนหนังสือ พอมูลนิธิออกมาแต่ละเดือนเนี่ยก็ถวายพระองค์ละสี่ห้าร้อยองค์ละพันกลุ่มละพันแล้วก็พระก่อนเนี่ยใช้มูลนิธิไม่บินทบาทตรงตาเห็นเลยประวัติมูลนิธิทำให้พระสงขี้เกียจเราไม่อยากจะตั้งแต่คณะสัทธาญาิโยงก็บอกว่ามูลนิธินี้ไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นห ร, รงตาเป็นมูลนิธิค้า สถานีวิทยุเสียงธรรมถ้าว่าเอาวัดค้ำไม่ได้ต้องเป็นมูลนิธิค้ำต้องอาใช้มูลนิธิใช้จ่าย ถ, ถึางๆเออเอาแต่มันเกิดประโยชน์ก็เอาทาจากนั้นก็ท่านแต่เพียงแต่อนุญาตว่าเอา้าทำผู้ที่คณะกรรมการเขาเอาจะเอาอยัางไงหลวงพ่อหลวงพ่อเออเอ า, เอาไม่เป็นไรหลวงพ่อจะหาทุนเองหลวงพ่อก็เลยหาทุน หลวงพ่อเนี่ยแสนหนึ่งคุณธนันชัยเท่าแก่ก็คงแสนหนึ่งสศรีธรรมแสนหนึ่งเท่าแก่สมหมายแสนหนึ่งและก็ท่านเจ้าคุณวัดเทพศิรินทร์ที่มาภาวนาที่นี่เนี่ยท่านก็อ้าผมขอถวายอีกแสนหนึ่งรวมก็เลยห้าแสนกระตังเข้าไปจดทะเบียนนี่แหละคือขั้งแรกของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน แต่เดี๋ยวนี้ก็ปากเข้าไปร้อยกว่าล้านนะนะพิทยุเสียงธรรมร้อยกว่าล้านแหละแต่ทีนี้มูลนิธิหอพิบาลสง์โดยพระอาจารย์อินถวายเนี่ยเพื่อดูแลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดรธานีเนี่ยเราก็พึ่งขออนุญาตได้เมื่อวันที่28มีนา หลวงพ่อก็บอกว่าเออเอาหลวงพ่อจะตั้งเป็นกองทุนหนึ่งล้านบาทนะคือเงินหนึ่งล้านบาทจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเนี่ยถ้าหาว่ามูลนิธิล้มเหลวล้มยังไง เ, เงินหนึ่งล้านนี่ยคแปลว่าเป็นของรัฐบาลไปเลยถอนถอนคืนไม่ได้จดทะเบียนเป็นเป็นมูลนิธิหลวงพ่อเออเอาจะจดทะเบียนเอาหนึ่งหนึ่งล้าน แต่ว่าให้อยูภายในหนึ่งเดือนนะหลวงพ่อนับแต่วันจดทะเบียนมาแล้วหนึ่งเดือนหลวงพ่อก็เออเอาได้แต่เมื่อวานหลวงพ่อก็เลยไปเอาจดทะเบียนเอาเงินหนึ่งล้านของวัดของเรานะคณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานผ้านเนนทุกองค์ญาติโยมทุกท่านเราเอาเงินของปัจจัยวัดของเราเนี่ยเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนเลยหนึ่งล้านบาท เระนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะอนุโมทนาสาธุพร้อมกันในจิตใจแล้วก็ให้พวกเราเทุกท่านพาะว่าเงินก้อนนี้เมื่อเข้าไปแล้วก็จะได้ดูแลพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์อาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงแต่ไม่ใช่พระสงฆ์กรรมฐานฐานอย่างเดียวนะทั้งมหาิกายทั้งธรรมยุทธ์ทั้งพระบ้านพระป่าทั้งพระลาวพระเขมรพระเวียดนาม ศระศีรษะพระมาเป็นพระที่ไหนมาก็ตามที่มาป่วยที่เขตอุดรของเราเนี่ยถ้าเข้ามาโรงพยาบาลนี้ถ้าหากว่าไม่มีทุ น, นก็แปลว่ามูลนิธิของเราเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมานตั้งขึ้นมานจะต้องเข้าไปดูแล ร, รักษาดอกผลจะต้องดูแล ร, รักษาแต่โดยนี้มีมากไม่ลงพอ่อคือมูลนิธินี้เมื่อตั้งขึ้นมาทีแรกเนี่ย ก็คือเงินที่เราสร้างตึกหนีไฟจากนั้นก็มีการฉลองลตึกหนีไฟเหลือเงินนะหลวงพ่อสร้างตึกหนีไฟเหลือเงินอยู่ประมาณ7กว่าล้าน7ล้านกว่าแล้วก็วันฉลองได้3ล้านกว่าแล้วก็เก็บรวบรวมผู้มีศรัทธาอีกไปวันเดียวนี้มีเงินอยู่12ล้านเงินมูลนิธิตัวเนี้ยมูล น, นิธิของหลวงพ่อเนี่ย เดียวคิดดอกผลก็คงจะน้อยอยู่พรามันรีเริ่มใหม่แต่ว่าเราจะใช้อย่างไรในโรงพยาบาลบางครั้งหลวงพ่อได้ยินเวลาพระเข้ามาป่วยเมืองอุดรของเราเนี่ยมาป่วยอยู่ตึกหลวงตาพอป่วยแล้วก็หายจากไข้จากป่วยแล้วเนี่จะกลับวัดไม่ได้เพราะไม่มีเงินไม่มีเงินค่ารถนะพยาบาลกับหมอเนี่ยต้องแชร์กันเนี่ยคนละห้คนละสิบ ท่านไปห่างขนาดไหนไปที่ไหนจะใช้เงินขนาดไหนค่ารถกนะ็จะต้องถวายค่ารถท่านอีกหลวงพ่อได้ยินแล้วก็โอ้ไม่น่าจะเกิดแต่มันก็มีนะศรัทธา ญ, ญาติโยมนี่แนหะละหลวงพ่อพูดให้ฟังนะคือความจําเป็นแต่ละจุดแต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนนะมันไม่เหมือนกันเรามองไม่เห็นบางครั้งแต่นี้เราได้ยินแล้วก็เออน่าจะเป็นมูลนิธิ ขึ้นมาดูแลพระสงฆ์อาพาธนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อตั้งขึ้นมาไม่ได้เพื่อไม่ได้เพื่อใครนะแต่มูลนิธินี้การดูแลเบิกค่าใช้จ่ายหลวงพ่อตั้งชื่อทั้งหคนนะมีพระมีพระสามแล้วก็มีโยมสามที่ดูแลบัญชีเนี่ยค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่าย ถ้าจะเบิกคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่ว่าชื่อในหกนั้นถึงจะจ่ายยังไงต้องมีชื่อหลวงพ่อหน่องค์หนึ่งถึงจะเบิกยังไงไม่ในการเบริกจ่ายเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็จะกำชับอยู่ดูแลเพื่อให้การดูแลพระสงฆ์เก็บไข้ได้ป่วยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ได้พูดว่าถ้าหากว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้ามูนิธิของเราเนี่ยเดินไปได้หรือว่ามูนิธิของหลวงตาเกิดขึ้นมาใหม่เออมูลนิธิหลวงตามหาบัวขึ้นมาพอขึ้นมาหลวงพ่อก็บอกว่ามูลนิธิของหลวงพ่ออินเนี่ยให้ยุบนะยุบไปร่วมกับมูนิธิของหลวงตาที่ขึ้นมาใหม่เออจะไปจะไปเอาไว้ คือให้เป็นมูลนิธิของหลวงตาไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไปคอยหลวงตาก็ไม่รู้จะเดินได้ยังไงเพราะนั้นของเราต้องเดินก่อนพอเดินก่อนแล้วก็ผู้ที่เห็นผลแล้วก็มูลนิธิหลวงตาเกิดขึ้นมาใหม่ก็ควรจะไปคุยพูดคุยกันแล้วก็ยุบมูลนิธิของเราเข้าไปมูลนิธิขององค์หลวงตาต่อไปอนี่แหละหลวงพ่อไม่ได้คิดต้องการมุ่งหวัง หน้าตาอะไรทั้งหมดแต่ลุงพ่อก็เคยพูดให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าได้ฟังว่าที่หลวงพ่อใส่ใจดูแลโรงพยาบาลด้วยเครื่องมือแพทย์ก็ตามโรงพยาบาลก็ตามมูลนิธิก็ตามหลวงพ่อน่ยคงจะมุ่งหวังว่าอยากจะไปป่วยไปไข้ไปนอนโรงพยาบาลมั่งวางแผนเอาไว้ ในใจของหลวงพอ่อหลวงพ่อเนตั้งจิตอธิษฐานทำอะไรลงไปเกี่ยวกับการดูแลพระสงฆ์กูบายาจารย์พระเนนเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นเครื่องมือแพทย์อะไรก็ตามหลวงพ่อตั้งจิตอธิฐานเนอด้วยบุญด้วยกุศลที่าเนี่ยได้ทำได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพระสงฆ์ที่เป็นบุญกุศลดูแลสุขภาพของ พี่น้องประชาชนพระสง์ด้วยบุญกุศลนะอย่าให้ฆ่าเนี่ยได้ไปนอนโรงพยาบาลฮะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าให้ได้ฆ่าอย่าให้ได้ป่วยถึงเขาอายุหมดอายุไขแล้วก็ให้ป๊อกไปเลยให้จบไปเลยอย่าได้ไข่อย่าให้ได้ไปนอนโรงพยาบาลสายอะไรพะลุงพลังฮะเนี่แหละ อันนี้ก็คือความปรารถนาของหลวงพ่อนะไม่ใช่ปรารถนาอยากจะไปนอนโรงพยาบาลนะอ น, นัตถาญาิยาโยมลูกหลานด้วยบุญด้วยกุศลทั้งหลายทั้งมวลนะอย่าให้ได้ไปนอนแต่ถึงยังไงบาถึงจุดจบแน่ๆชีวิตของเราเนี่ยทุกคนหลวงพ่อนะมองดูตัวเองอยู่เสมอชีวิตของข้าไม่รู้จะนานไปสักเท่าไหร่เพราะนั้นข้าจะตั้งอยู่ในความประมาทข้าจะต้องสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนจะเป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญกุศล ก็พยายามทําสิ่งนั้นให้มากที่สุดให้ดีที่สุดให้รอบคอบที่สุดอย่าให้มีอะไรที่มันจะเป็นมลทินเรีอกว่ามีราคีลาคายสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาตัวใส่ตัวของเราต้องประกอบคุณงามความดีคิดดีทดําดีพูดดีเท่านั้นอันนี้ก็คือ แนวความคิดของหลวงพ่อนะคณาธ า, ศ า, ศายาตโยมลูกหลานทุกคนนี่แหละอันนี้ก็คือการดูแลพระสงฆ์ถ้าจะว่าว่าฐานะใช่ไหมที่หลวงพ่อพูดเบื้องตน้นคนที่มีฐานะท่านผู้มีฐานะบุคคลที่มีฐานะเราต้องเป็นที่พอใจและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมตัวเองก็ยอมรับเอกเมื่อนฐานะเอะ เข้าไปอยู่นชุมชนใดกลุ่มใดมีแต่พี่แต่น้องมีแต่ญาติตโยมอย่างหลวงพ่อน่ยเหมือนกันเน่ยเมื่อไปทําคุณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลเวลาหลวงพ่อไปเขาก็ให้ความเขาเอื้อเฟื้อเอื้ออารีหรจะไปในสถานที่ใดก็าตามโรงเรียนก็ตามศูนย์ราชการก็ตามอะไรหลายเพราะเราไม่ได้คิดจะไปขอบไปโกยไปแย่งผลประโยชน์จากเขามีแต่ไปมีอะไรไ ห, ห้จะช่วยเหลืออะไร มีแต่เราคิดให้อย่างวัดวาศาสนาเขาเหมือนกันไม่ใช่แต่เรื่องของภายนอกสรุปแล้วก็คือแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมาเนนไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียวอันนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุธธรรทำำพธเจ้าเราเกิดมาในชุมชนสังคมมาเกิดมาเป็นเป็นพระก็ต้องช่วย เหลือชุมชนสังคม เ, เขาเรามีการเสียสละเสือเผื่อแผ่อย่างนี้เลย เ, เราอยู่ในชุมชนไหนก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นถุกนะถ้าว่าขี้ตะนีทีเหนียวไม่ไม่รู้จักแบ่งปันใครแล้วก็นั่นแหละใครๆเห็นแล้วก็มีแ ต, แต่ไม่สบายใจเรือว่าอิจฉาพยาบาทหรือว่าม่ใหม มาใกล้ในชุมชนกลุ่มของเขากลัวจะมาทำํำมาฉกมาลักมาขาโมยมาใช้เลี่ยเหลี่ยมเลสในในชุมชนของเขาเขาต้องระมัดระวังฮแต่ถ้าว่าพวกเราเข้าไปมีแต่เสียสละ เ, เขาก็สบายใจทุกหัวละแห่งเพราะฉะนั้นทานะคานี้เนะี่ยมีหลายอย่างาให้ทําเป็นทานให้แนะนำสั่งสอนกันนี่คือทานอย่างหนึ่ง อามิสทานก็คือทานอย่างหนึ่งอภัยทานก็คือไม่ถือโทษโกรธเครืองวันนี้หน่อยให้อภัยกันนะอภัยทานนะมีการทานะมันมีหลายหลายอย่างนะลูกหลานคณะชาตาญาติโยม เ, เพียงแต่อภัยทานอย่างนี้ก็ใครใครก็สบายใจในระดับหนึ่ง อ, อามิสทานก็การเสียสละธรรมทานก็คือแนะนำสั่งสอน วิทยาทานก็คือการให้ความรู้กับคูที่เขาไม่รูนะ้อันนี้ก็วิทยาทานฐนะานะฐานะนะอาอนะผ่อนนะตนี้นะนโนมทนาให้พรอ